วันนี้เป็นวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2555เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปไปชมที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อเก็บรวบรวมพธรธมเทศนาขององค์หลวงตาให้เป็นหมวดหมู่คือให้เก็บเข้าฮาร์ดเดแล้วก็เก็บรวบรวมเทปเก่า ซีดีเก่าองค์หลวงตาให้เก็บเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เมื่อวานก็ออกไปไประชุมกันแล้วก็คงจะได้ใช้เงินทุนมากพอสมควรที่แรกกะกันประมาณเสนอกันที่เก็บทางสร้างเป็นอะไรเป็นอาคารอาคารเก็บทำมรเทศนาของหลวงตากะไว้ประมาณ สามล้านแล้วก็เก็บวิดีโอィィของหลวงตาก็หลายล้านเหมือนกันนะประมาณเจ็ดล้านเก็บให้ครบบริรณ์แล้วก็เก็บเ ท, บทปขององค์หลวงตาอีกแต่เมื่อวานได้ประมาณล้านกว่าบาทตีจะเก็บเข้าฮาร์ดดิสต์รวมแล้วก็เป็นเงินหลายล้านพอสมควร ที่จะเก็บพระธรรมเทศนาของหลวงตาแต่หลวงพ่อก็บอกในที่ประชุมว่าธรรมเทศนาของหลวงตาทรงคุณค่าถ้าหาว่าลูกหลานผู้ใดมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติตามครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะหลวงตานี่ท่านชี้แจงธรรมเทศนาของท่านกว้างขวางและก็มีได้ทั้งปริยัต คือแนวทางคือพระไตรปิฎกแลกว้วก็ท่านปฏิบัติตามพระไตรปิฎกตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นด้วยท่านก็มั่นใจว่าท่านนี่คือไม่มาเกิดอีกแล้วท่านประกาศอย่างนั้นท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพูดง่ายๆจบแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วแล้วก็ธรรมเทศนาของท่านก็หาที่ตำหนิไม่ได้จริงๆ ในคราวหนึ่งเขาก็บอกว่าพระนิพพานเป็นอัตตาพวกหนึ่งก็ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาอัตตาคือว่าตัวตนยังมีตัวตนอยู่พระนิพพานยังเป็นอัตตาพวกหนึ่งว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาม่ใช่ตัวตนมันเป็นของนอกนอกเหนือสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเขาก็มาถามหลวงตาทีนี้ ถามลงตาลงตามีความเห็นว่ายัางไงที่ว่าลงตาได้เป็นพระรหันต์เนี่ยลงตามีความเห็นว่ายัางไงที่คำถามคําตอบเนี่ยลงตาบอกว่านิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตานิพพานคือนอกเหนือจากอัตตาและอนัตตาลงตาอธิบายว่าอัตตาคือตัวตนเป็นนิพพานไม่ได้อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนยังเป็นไตรลักษณ์อยู่อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกุญแจเปิดเข้าสู่พายในผ่านเท่านั้นไม่ใช่พายในผ่านลงตอบลวงตาตอบชัดเจนเลยใครๆก็เขาไดเออใช่ใช่ใช่เอออนัตตาเนี่เป็นกุญแจสําหรับเปิดประตูเข้าสู่พายในผ่านพอเปิดประตูแล้วนั่นแหะเลยไปกว่านั้นนอกเหนือจากสมมุติทางหลายทางปวง เอาสมมติเทียบเปรียบเทียบไม่ได้เพียงแต่ว่านิพพานางังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเท่านั้นแหะนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะสมมุติในจุดนั้นได้หลวงตาพูดอย่างนั้นแปลว่าจบเป็นที่ยอมยอมรับกันในภาคปฏิบัตินี่แหละคือท่านตอบปัญหาหรือ ว, ว่าท่านชี้ปัญหาชี้แจงปัญหาชัดเจนพระธรรมเทศนาของหลวงตา พวกเราควรจะเก็บรวบรวมเอาไว้เพราะหลวงตาไม่กลับมาพูดอีกแล้วมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะนั้นอยากให้ขาดตกบกพร่องในพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาและก็เลยช่วยๆกันเก็บเป็นหมวดหมู่เหมือนกับในครั้งครั้งพุทธกาลพอะพุทธเจ้าปรินิพานพระมหากรัสปะก็เป็นประธานสงในยุคสมัยนั้น ท่านก็จะประชุมกันพระทั้งห0าองค์เป็นพระอรหันต์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์มาประชุมกันที่ถ้ำสัตบัรณนกูหากราช จ, จะคือพระพุทธเจ้าพระรนิพพานไปแล้วสเดือนพระมหากรัตน์เป็นประธานคือรวบรวมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่พอไปชุมกันแล้วก็พร ะ, ะมหากรัตปะก็ถามเราจะสังคายนายอะไรก่อน คือพระวินยัยคือกฎระเบียบพระรคือคือเรื่องราอา่ที่เป็นมาอย่างไรอันนี้คือพระสูตรพระประมัตธรรมคือภาคปฏิบัติจิตภาวนาจะทำยังไงจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเราจะสังคายนะอะไรก่อนถามในที่ประชุมสงฆ์พระสงฆ์ตอบพร้อมกันว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะนั้นเรื่องพระวิเนยขึ้นกฎและเบียบเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสมควรพวกเราจะต้องทําสังขารนาพระวินัยก่อนคือกฎระเบียบก่อนคือแต่งตั้งกฎหมายก่อนพระสมโลงมติกันเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเพราะพระหันห้าร้อรูปเป็นพระหันทั้งหมดไปชุมในครั้งแรกจากนั้นกน็ทั้งสังขายนา พระวินัยพอสวดพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อที่หนึ่งข้อเริ่มแรกบัญญัติที่ไหนใครเป็นคนกระทําเรื่องอะไระแล้วก็มามาตราแรกแล้วก็มาตารองมาร อ, องรับแล้วก็พิจารณากันจบมาตราหนึ่งเอากฎที่สองพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องสิกขาบทที่สองนั้นเรื่องอะไร เดี๋ยวไล่กันเป็นพอจบแล้วก็ให้กลุ่มหนึ่งท่องสาธยายอะไรแต่ไหนให้ท่องให้จดจําให้กลุ่มหนึ่งพระสงุ่มหนึ่งให้แบ่งกันแบ่งแบ่งพวกกันให้องค์นั้นองค์นั้นกลุ่มนั้นท่องสาธยายเกี่ยวกับพิในพอจบไปไหนถามพระสูตรถามพระสูตรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคิงออกบวชถึงเป็นยังไงถามพระอา น, นุ์ พระ อ, อนุนก็ชี้แจงเกี่ยวกับวิเกี่ยวกับพระสูตรส่วนพระวินัยคือท่านพระอุบาลีพระอุบาลีเป็นผู้ได้รับเอตคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ผู้รักษากฎระเบียบวินัยเนี่ยคือพระสิบพระอุบาลีพระอา น, นุ์เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับพระสูตรคือเรื่องราวเป็นมา คือพาะนนเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจากนั้นพระประมัตธรรมคือแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจทีนี้นก็สังคายนากันสามเดือนจบนะก็แบ่งพวกกันพวกหนึ่งก็จจดจำพระวินยัยพวกหนึ่งก็จดจำพระสูตรพวกหนึ่งก็จดจำพระประมัตธรรมต่างคนก็ต่างเป็นกลุ่มกันกับท่องบนญสาธรรยายกันแะทีนี้นี่แหละ อันนี้คือท่านสังคายานาเกี่ยวกับหลักพระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่นี้พวกเราไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะเทคโนโลยีสมัยทุกวันนี้มันความจำความจดความจำมากแต่เพียงแต่ว่าเรารักษาให้เป็นหมวดหมู่จัดขั้นตอนให้เป็นหมวดหมู่องค์หลวงตาแสดงปีไหนเป็นปีแรกที่เราอัดไว้อัดพระธรรมไว้ ปี05 04 05บางคนพวกเราก็ยังไม่เกิดอีกต่างหากเลียงลำดับมาเรื่อยๆๆท่านเทศเรื่องอะไรเทศนาะทีไหนจากนั้นก็เลียงเป็นพอสอเดือนแต่และพอสอแล้วก็เดือนเลียงเดือนเลียงวันที่เข้าเป็นหมวดหมู่จากนั้นก็เอาเข้าฮาร์ดดิสเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเดี๋ยวนี้ทั้งวิดีโอทั้งถ่ายภาพนี่ได้ประมาณ หกสิบกว่า6กสกว่ากล่องกล่อ ง, นงเ 1, น, นึงกับพันกิกพันกิกหลายร้อยชอั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อวานหลวงพ่อได้ไปไประชมุมเลยในเรื่องนี่แลหละคือรวบรวมทำคำสอนขององค์หลวงาตาให้เป็นหมวดหมู่แล้วก็ให้มีภาพด้วยไม่มีแต่เทบให้มีภาพคือวิดีโอ หลวงตาพาดําเนินอย่างไรตรงรลวงตาฉันยังหานอย่างไรหลวงตามีทุรุงขวัตอย่างไรขณะที่ลงนิ้วลองตาปวดหลวงตานั่งขัดสมาดไม่ได้ชันอาหารท่านยังยกเขาขึ้นข้างหนึ่งบาทของท่านก็ยังไม่อีกข้างหนึ่งท่านยังฉันได้บาทนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังทุกวันนี้พอไปไหนก็ทิ้งบาด ท, ทิ้งบริการทิ้งบาท ฉันในสำรับกับข้าวไปไม่ชื่อแต่วัตธุรงพระทุร ง, งแต่ว่าทิ้งบาทแต่หลงตาเนี่ยอายุปดเกปีขนาดนิ้วเท้าของเท้าทองท่านขาดท่านก็นยังเอาบาทมาไว้ข้างๆฉันในบาทนี่นี่แหละอันนี้ถืคือเป็นรูปเถ่ายออกมาเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นแนวทางได้ยึดแนวทางปฏิบัติถ้าว่าผู้มีอุปนิสัย ่เห็นแล้วก็ออนี่หลวงตาพระเทระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่หาทองคำเข้าคังหลวงถึงส3บสาตันดอนลล่าร์ทั้ง10กว่าดอลล่าร์ถ้าคิดเป็นเงินทุกวันในี่ก็สามสี่มืนล้านบาทเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติต่อชาติไทยนี่แหละคือเราจะ ร, รวบรวมทำคำสอนขององค์หลวงตาให้เป็นสมบัติ ของลูกของหลานผู้มีอุปในิสัยต่อไปภายภาคหน้าเนะี่ยเมื่อวานก็ได้ไปชุมกันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นถ ก, กกันเรื่องปัญหาต่างๆจากนั้นก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็หลุงพ่อก็ได้เข้ามาวัดบ้านจิกวัดทิพย์พญารัตนิมิตรบ้านจิกลุงพ่อก็ได้นิมนต์สวดมนต์เย็นครบรอบเจดปีของหลวงปู่ถิน่นที่ท่านมรณภาพ ที่ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่จากนั้นขกอกนิมนต์หลวงพ่อขึ้นแสดงธรรมมีพระหลายร้อยองค์นะแต่พอถวายทายานกับพระสงฆ์ที่ท่านกลับวัดก็มีแต่ประชาชนศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมเต็มแน่นตนัดศาลาเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้เทศแนวความคิดในภาคปฏิบัติให้แก่คณะศรัท ธ, ธาญาติโยมเชาวอุดรจากนั้นก็หลุงพ่อได้แจ ก, ก MP ็สา ให้แก่คณะสัตยาธิรมที่นั่งฟังถ้าฟังใครฟังไม่จุใจก็ฟัง MP3 หลวงพ่อต่อนะการฟัง MP3 หลวงพ่อต้องฟังให้ดีต้องตั้งใจฟังอย่าไปคุยกันแล้วก็ฟังถ้าคุยกันฟังแล้วจะไม่ได้เรื่องเพราะเหตุใดเพราะฟังแล้วหลวงพ่อพูดไม่ใช่พูดแบบอะไรเอาหลักเหตุผลมาพูดพูดเป็นคําเป็นคําเป็นคํำไม่ได้พูดแบบ ลอยๆพูดเลื่อยเปื่อยไปเลื่อยอย่างนั้นในเมื่อมันขาดคำหนึ่งาการฟัง น, นกับขาดไปแล้วเพราะนั้นถ้าว่าฟังอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้มันเป็นยังไงเหมือนกับหลวงพ่อจะอจะไล่พวกสัตว์ในป่าหลวงพ่อจะต้องกางตะข่ายกางตะข่ายไว้รอบแล้วหลวงพ่อจัเข้าไปไล่ พอไปไล่เสร็จมันกระโดดกระโดดใสตาาด่ตาข่ายพ่อใดตาข่ายกันนั่นจับเรื่องราวนั้นได้นี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรหลวงพ่อจะต้องเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนี้เรื่องนั้นมันเป็นเหมือนกระตาข่ายจากนั้นหลวงพ่อพอถึงจุดเดิมนี่นะต้องคิดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ถ้าพอจบไปแล้วกันนัพูดไปอีกเรื่องราวหนึ่งอีกต่อไป เพราะนั้นถ้าหากว่าเราขาดในการฟังชั่วขณะหนึ่งหรือชั่วไม่กี่คําพูดเราก็จับประเด็นไม่ได้แล้วหลวงพ่ออินพูดเรื่องอะไรนี่แหละคือความไม่ตั้งใจและความไม่ไม่ฟังอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อบอกว่าต้องฟังอย่างต่อเนื่องในการฟังเอ็มสของหลวงพอ่อถ้าไม่มีเวลาอย่าเพิ่งฟังเก็บไว้ก่อนแต่เมื่อ ม, มีเวลาแล้วก็ฟังอย่าไปฟัง ทั้งวีทั้งวันตระเดตเปิดเปิงอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะทำให้ใจของเรามันด้านใจมันด้านคล้ายๆว่าเป็นธรรมดาไปเลยฟังแบบในธรรมดาไปแต่ถ้าว่าฟังด้วยความตั้งใจก็ไม่ใช่รอบฟังแล้วมากันกรองด้วยเหตุและผลนี่แหละจะเกิดประโยชน์นะลูกหลานนะเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเมื่อคืนนี้จากนั้นก็กลับมาถึงวัดมาดูนาฬิกาห้าทุ่มพอดีนี ทุกอย่างเสร็จนะีเพราะนั้นภารกิจของหลวงพ่อแต่ละวันคณะสัตยา ญ, ญาติโจมลูกหลานครูบาอาจารย์เมื่อเป็นครูโรงเรียนนะี่ย อ, อย่าเพิ่มว่ามันหนักหนาทีเดียวก็ไม่ใช่นะทุกคนก็ต้องหนักทําหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละองค์เหมือนกันแต่หลวงพ่อไปเห็นหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปสอนนักเรียนแพทย์เดี๋ยวก็มาดูคนไข้เดี๋ยวก็จะไปเปิดคลินิก เ, เดี๋ยวก็ไปไประชุม เ, เดี๋ยวก็มหมอหมู่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเป็นหลายหมื่นคนตายก็ต้องไปงานศพโอ้หลวงพ่อว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแพทย์แพทย์ห ม, ม, ม, มอหอเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปสอนเด็กนักเรียนเขาก็ต้อง อ, อ, อ่านวิชาความรู้ของเขาให้แข็งแกร่งซะก่อนจึงจะไปสอนนักศึกษาแพทย์ได้เพราะนักศึกษาแพทย์จะเป็นผู้ใหญ่ เ็าพร้อมที่จะหาหลักเหตุผลและก็พร้อมจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติอีกพานักกษาแพทย์มาพาตัดอีกและไปดูคนไข่อีกวิธีวิธีตรวจวิธีดูคนไขว่วิธีตรวจคนไข่ทำยังไงถามเขาอย่างไงก็ต้องสอนอีกไปยืนบางคนก็น่าสงสารคนไข้เหมือนกันนะนผู้ชายผู้ชายตั้งอยู่ในห้องแอบเปิดหน้าอกแล้วอาจารย์ก็ไปยืนสอนลูกน้อง แต่คนไข้ไม่รู้หนาวไม่หนาวจนสั่นงองงอองจนพ่อแรงออลงพ่อเห็นโอเ้ยออเพลอๆอย่าใครอย่าเป็นคนไข้สีนกลินนะว่างั้นขนาดอยู่ในห้องหนาวๆอาจารย์ยังไปยืนอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์จืนคอยฟังอาจารย์อธิบายว่ารักษาอย่างไงนี่นี่แหละอันนี้คื อ, คอสรุปแลวก็คือเป็นหมอก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่นี่มาเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าสบายนะสบายเลยคื อ, อยังไงถึงตอนเช้ามาก็ไปสอนนักเรียนเนี่ยแต่บางคนก็ไปสอนสอนเพียงั้นเอาความเอาความเกาไปสอนฮะเนี่ยหลวงพ่อเลยอยากจะให้ครูทั้งหลายพัฒนาตนเองนะนี่ครูบาอาจารย์พ่ออทั้งหลายทั้งปวงที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยเกือบ200ท่านหลวงพ่อว่ากอนที่จะไปสอนควรจะ คนคว้าวิชาหาความรู้ใหม่ๆแปลกๆอ่านดูแล้วกันนั้เอาไปสอนเป็นเกรดนักเรียนข่าวนี้ได้เกรดหนึ่งวันหน้าได้เกรดหนึ่งแล้วก็น ố เป็นเกรดๆตั้ไว้เราจะสอนเรื่องอะไรให้แก่ทูกศิษย์ของเราแต่ถ้ า, าว่าครูมีการพัฒนา น, นักเรียนก็จะพัฒนาไปด้วยแต่ถ้ า, าว่าครูใบอาจารย์ไม่พัฒนาเอาแต่คาเก่าไปสอนสอนคําเก่าแล้วเพิ่ม นักครูบาอาจารย์รุ่นใหม่มาอีกเขาเพิ่งจบกําลังมีวิชากําลังร้อนวิชากําลังจะจะสอนเด็กนักเรียนตัวเองเลยกลัวเขาจะล้าหน้าไปขวางเขาไว้อีกเนี่ยสอนอย่างข่าเนี่พอแล้วอย่าสอนเลอเพล่เพขเมขมินครูครูใหม่อีกก็เลยทําให้นักเรียนด้โอกาสสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับผ อ, อทุกๆท่านนะผ อ, อรองผ อ, อที่ เข้ามาอบรมในครั้งนี้นะอันนี้หลวงพ่อพูดว่ากิจธุระภาระของเราเนะี่ยแปกแตกต่างกันหมอเขาก็ทําหน้าที่หนึ่งครูบาอาจารย์ก็ทําหน้าที่หนึ่งหลวงพ่อเองก็ทําหน้าที่หนึ่งเหมือนกันแต่ยุ่งยากหนักหนาไหมออก็หนักตามเรื่องตามราวตามอัตภาพออมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราพัฒนาออพัฒนา น้าอาชีพหรือพัฒนานหน้าที่ของเราให้รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่อย่างนี้อย่างหลวงพ่อนะเป็นหน้าที่ของพระ่บางทีเน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่เขานิ่มโนมามีความจําเป็นหลวงพ่อก็ต้องเอาไปเเว้นเสียจะเหลือบาก่าแรงจริงๆก็ข อ, อปฏิเสธไปไปทุกเรื่องไปทุกเราไปทุกงานนิมนต์ไม่ไหวเหมือนกันแต่ใครๆก็อยากจะให้ไป แต่ว่าเราไปไม่ไหวแล้วก็ต้องขอปฏิเสธนะแต่บางเรื่องบางเราปฏิเสธไม่ออกบางทีมันมีนะปฏิเสธไม่ออกอันนั้นก็ต้องไปนะไปทําหน้าที่แต่ถึงยังไงทําหน้าที่ทุกอย่างอย่าไปใช้ความโกรธอย่าไปใช้อารมณ์แต่ใช้อารมณ์แล้ไม่ดีอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำงานพระราชทานเพลิง อ, องค์หลวงตา ผู้เห็นด้วยก็มีผู้ไม่เห็นด้วยก็มีพุ่งผู้มุ่งจะคอมเมนหลวงพ่ออยู่เขมีแต่หลวงพ่อก็เป็นพระผู้ใหญ่เขาก็มาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทอําใจยังไงทั้งที่รู้รู้ว่าเขาไม่ไม่พอใจทั้งที่เจขาจะคอมเมนหลวงพ่ออยู่ต้องหลวงพ่อก็ยังพูดหน้าตาเฉยไม่สะทกไม่สะทานพูดกับใครก็ได้ทั้งที่ท่านเขาเหล่านั้นก็จ้องคอมเมนที่จะเล่นงาน เหลวงพ่ออยู่จะกัดหลวงพ่ออยู่พูดง่ายๆแต่หลวงพ่อทำท่าไม่รู้ไม่ชี้เอ้ยหลวงพ่อนะถ้าเขาในสถานนะอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อไม่ได้ดูเออไม่ได้ดูเสียงรอบด้านเฮแต่ให้คนอื่นช่วยๆ่วยดูแต่หลวงพ่อแม่งเรามาทำงานนี่เพื่ออะไรเราทำงานเพื่อองค์หลวงตาหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการกับเราเราถือวถือว่า เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราทําเพื่อลวงตาเราไม่ได้ทําเพื่อใครอื่นทั้งหมดในเมื่อเราทําเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วใครอื่นพอใจหรืไม่พอใจอันนั้นจุดแท้แต่แต่เราทํำดีใหด้ดีเราเหยียบย่ำคนอื่นไหมเราเบียดบางคนอื่นไหมเราทำทำร้ายทําลายคนอื่นไหมเราไม่ได้ทําร้ายทํำลายใครเราเดินตามแนวแถวนี้แต่คนไม่พอใจมันก็มีคือไมอ่บางคนก็ไม่อยากจะเห็นเขาเด่น เขาเด่นเกินลักษณะอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้เด่นเราก็ทาตามหน้าทีนะ่เพราะนั้นเราจะไปสะทกสะทานทาไมเราทำดีแล้วเราก็คิดดีแล้วพูดดีแล้วทาดีแล้วตรงไหนบอกมาซิที่ไม่พอใจเขาก็พูดไม่ได้แต่ว่าไม่พอใจในใจนี่แหละเอาไม่พอใจเรื่องอะไรนี่แหละอยู่ในอยู่ในใจนี่แหละใครจะไปรู้ใช่ไหมละ่ะเออ ไม่พอใจก็อยุดในใจของเจ้าก็แล้วกันเราก็ทำหน้าที่ของเราไปไนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อได้ทำอย่างนั้นบางทีก็ก็แบางบางเรื่องบางเราก็ไม่พอใจ ค, อคือความโกรธความโกรธมันเป็นของไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แท่านยังเป็นสอนเป็นฌานดุกอีกต่างหากนะนในครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีลูกฤทธสวีฤทธสวีก็คือพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองแบบทิศสวีแต่นี่ลูกชายคนเดียวใครแตะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้โกรธให้แกใครต่อใครจนใครก็กลัวไปหมดกำลังจะเป็นเด็กหนุ่มสิบสามสบสี่สิบห้าปีพ่อแม่ก็แตะไม่ได้อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนมากลูกชายคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแต่นี่ก็ มาหาพระพุทธเจา้าพามาเอามาม า, มากราบพระพุทธเจา้ายังมามาันก็ยังดีอ ย, ยูเด็กหนุ่มยังมากราบพระพุทธเจา้าพ่อแม่พ่อแม่พามามาก็เลยพูดบอกว่าพระพุทธเจาา้าข้าลูกของหมอมฉันคุกชายนี่นะรู้สึกอารมณ์ร้อนเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาต่อไปภายภาคหน้าแล้วกลัวจะมีเพชรมีภยัยกลัวจะมีอริศัตรูมากเพราะคนความโกรธไปที่ไหนก็โกรธหมด ไปที่ไหนก็สร้างศัตรูไว้ทั้งหมดและลูกชายจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ปกครองพไพราประชาชนได้อย่างไรถ้าเป็นลักษณะนี้หน้าพี่ตกกังวลอย่างมากขอพระพุทธองค์เมตตาสั่งสารเขาด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็เออมาดูก่อนมานพดูก่อนมานพเธออย่าไปโกรธคนอื่นนะถ้าเธอโกรธคนอื่น โดยไม่มีเหตุไม่มีผลถึงจะมีเหตุมีผลก็เถอะอย่าไปโกรธจนเกินเกินงามแต่ท่านเธอโกรธจนเกินงามเผดพิภัยจะเกิดขึ้นกับเจ้าเจ้าจะเป็นพิษภัยสําหรับคนอื่นคนอื่นก็จะตั้งแป้อมสู้กับเจ้าเจ้าจะปกครองดูแลประเทศชาติได้อย่างไรถ้าว่าเราเจ้ามีแต่ความโกรธเจ้าตรงยึดยึดหลักเหตุผลอันไหนควรทําอย่างไรอันไหนควรจะ พูดอย่างไรทำอย่างไรแล้วคิดทีดีซะก่อนยังค่อยถามออกไปถ้าทําแบบมีแต่อารมโมโหโกรธทายเนีกับใครต่อใครทั้งหมดบ ร, บริวารลูกน้องลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องก่อนกลัวไปหมดโกรวไม่ใช่กลัวธรรมดานีพอกลัวเสร็จแล้วเขาก็มีอริัตรูกับเราอีกต่างหากมันไม่ใช่ว่ากลัวแบบแบบสีโลล่าไปยอมเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเจ้า เออเป็นจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเจ้าต้องเป็นต้องระวังความโกโรธนะความโกโรธเป็นของไม่ดีมันเผาคนอื่นมันเผาตัวเองซะก่อนไปเผาคนอื่นแล้วก็ทำให้ชุมชนและกลุ่มที่เจ้าเป็นเจ้านายนะ่จะเดือดร้อนต้องคิดดูให้ดีนะมานบนะมานพนั่นเขา่ารับเออใช่จากนั้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนนิสัยเป็นคนใหม่เขาเลยไม่โกโรธ พ่อแม่เขาก็อกโอ้ดีอกดีใจว่าลูกของเขามาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าสอนเพียงครั้งเดียวให้เหตุผลเพียงครั้งเดียวเขาก็ยอมยอมรับพระพุทธเจ้าท่านว่าเราเคยสอนมาแล้วสอนเด็กสอนเด็กดกุกมารในสมัยหนึ่งพระสงฆ์ก็อยากจะถามว่าสมัยไหนพระเจ้าขา่าในอดีตชาติใช่ในสมัยนั้นเราเป็น ถามอยู่ที่กรุงพาราณสีถามโปรโหิตใหญ่จากนั้นเราก็หนีไปบวชอยู่ในป่าดงพงไพยจนได้สำเร็จภัญญาสมาบัติหาะเหินเดินฟ้าได้จะเป็นลือสีอยู่ในป่าจากนั้นเราก็มาเข้ามาในเมืองามาเพราะต้องการอาหารรสเค็มรสเผ็ดรสเค็มอาหารอยู่ในป่ามันไม่มีรสเค็มเลยยังมีแต่ผลละมากรากไม้เง่าบัวลักษณะอย่างนั้นน่ะ แล้มาบินทบบาทพระเจ้าแผ่นดินเห็นเห็นเราบินทบบาทเขากเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสจากนั้นก็พาเรามาอยู่ที่อุทยานเมื่อมาอยู่อุทยานแล้วก็ตั้งกระตทบศาลาให้เป็นที่พักพ้าอาศัยเราก็ได้บําเพ็ญอยู่ที่สวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินด้วยความผาสุกแต่ลูกของพระเจ้าแผ่นดินลูกชายคนเดียวของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโกรธให้แกใครไขบริษัทบริวารของตนเองเดือดร้อนไปหมดแต่ไม่รู้จะทำยังไงพ่อพูดให้กับโกรธให้พ่อแม่พูดก็โกรธให้แม่ใครเตือนไม่ได้แล้วจะทำยังไงจากนั้นก็ก็เลยชักชวนลูกชายไปฝากไว้กับรือศรีสีในป่าที่อุทยานลูกๆไปอยู่กับลือีเนี่ยนะ เพื่อเรียนจะได้เรียนวิชาวิชาลือศีที่มีเยอะเหลือเกินท่านสามารถที่หอเหินเดินฟ้าได้วิชาอะไรต่อเมี่อะไรเพรลูกจะได้เป็นผู้ใหญ่ปกครองประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้าควรจะไปเรียนวิชาจากลือศีนะลูกชายก็เชื่อเนี่พอยากจะได้วิชายอยู่แล้วเด็กใชก็ไปอยู่กับลือศีแต่กระซิบคนลือกระชิบกับให้ท่านลือศีทาบว่าลูกชายคนนี้ โอ้ต่อไปพายภาคหน้าจะทำไงอารมณ์พร้อยเหลือเกินกลัวจะไม่ใหญ่กลัวเขาจะปฏิวัติอะไรลักษณะอย่างนั้นนะพาะดูดูแล้วไปเอาเอาแต่ใจตัวเองตลอดลือสีก็รู้ว่าเราจะสอนอยังไงวันหนึ่งอยู่น่ามากับพอคุ้นเชื่องกันทำความเข้าใจกันแล้วลือสีก็พาเดินไปเดินชมสวนอุทยานพอเดินไปเดินไปไปเห็นต้นสตดา ต้นชะเดามันโผล่ขึ้นมาประมาณสี่นิ้วนะโผล่ขึ้นมาเห็นใบสะเดาท่านก็บอกกุมารนี่ใบไม้ตัวนี้ต้นนี้เป็นเป็นยังไงเอามาดูสิมาเด็ดดูสิพอเด็ดขึ้นมาเอาเคี้ยวดูวสิเอี่ยคล้าว่าให้ให้กุ ม, มารเคี้ยวใบสะเดาพอก็มากับเคี้ยวเคี้ยวโอ้ขบก็มบุปายบ้วนทิ้งเลยโธ่ทําไมขมขนาดนี้ ว่าเด็กไม่เคยกินไม่เคยเคี้ยวของขมใช่ไหมเคี้ยวใบสะเดาท่านั้นมันขมมันขมติดปากอีกต่างหากเอี่ยกุ ม, มารคนนั้นก็เลยถอดอถอนต้นสะเดานะทิ้งโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้นไม้นี่เป็นเป็นพิษจริงๆถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านี่ยมันต้องคนไปกินเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับคนเนีถอนทิ้งต้นนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันเป็นโทษมันจะเป็นเป็นพิษ เป็นพิษกับคนไม้ต้นมันขมเหลือเกินเลยฤษีก็บอกว่านี่แหละกุ ม, มารถ้าหากว่าต้นไม้ขนาดต้นเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากดินเพียงสีนิ้วเราเอามาเพียงใบเดียวก็ขมแล้วก็กุ ม, มารก็ได้ถอดถอดถอดถอนทิ้งกุ ม, มารก็เหมือนกันนะอะไอเป็นเด็กอย่าไปใช้ความโกรธอย่าไปใช้อารมณ์จนเกินไป นี่แหละเหมือนกับต้นไม้มันเป็นพิษอย่างนี้แหละเราเป็นเด็กเราใช้อารมณ์มันก็เป็นพิษเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้แต่ถ้าว่าเราใช้อารมณ์อยู่ตลอดกับผู้คนตลอดใช้ความโกรธกับผู้คนตลอดคนทั้งหลายก็โอ้โถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงต้องเป็นพิษภัยสำหรับพวกเรานแน่ๆเขาก็ต้องหาวิธีการกำจัดเราเพราะนั้นการที่จะใช้อารมณ์กับผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรนะกับกุ ม, มาร น, นะควรจะใช้เหตุผลในการอยู่ด้วยกันท้าเรามีเหตุมีผลอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสมบบผ้าสุกอเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอเป็นพิษเป็นภัยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องกำจัดเราเหมือนกับต้นชะเราต้นที่กุ ม, มารได้ถอนทิ้งเนี่ยว่ามันจะเป็นพิษเป็นภยัยต่อ น, นี้ไปกุ ม, มารต้องมีเหตุผลนะ อย่าไปโกรธนะอย่าไปใช้อารมณ์นะจะพูดอะไรทําอะไรก็ต้องคิดกานกรองไตรตรองเพราะเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาต่อไปภายภาคหน้าเราต้องมีเหตุผลนะกุ ม, มาร น, นะพอท่านฤาษีสอนท่มมานนั้นกมกุมารนั้นก็ซึ้งในใจหยุดความโกรธเลยเป็นผู้มีเหตุมีผลตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่แหละ คือพระพุทธเจ้าของเราคือท่านที่เป็นฤาษีสมัยนั้นท่านก็ได้สอนคนที่มีความโกรธให้มีเหตุมีผลเพราะนั้นเนี่ยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจังหว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ความโกรธอารมณ์โมโหโกธาให้แก่คนอื่นให้แก่ลูกน้องให้แก่บริวารให้แก่ใครก็ตามให้แก่เจ้านายให้แก่พ่อแก่แม่แก่ใครก็ดีไม่ดีทั้งนั้น ต้องพยายามฝึกหัดตนเด็อตนตัวเองให้มีเหตุมีผลจะพูดจะทำสิ่งไหนก็ให้มีเหตุมีผลถึงจะโกรธก็ให้โกรธแบบมีเหตุมีผลแต่โกรธโกรธพอประมาณถ้าไม่โกรธได้ดีที่สุดเพราะคนเราต้องมีเหตุมีผลอยู่ด้วยกันจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนมีมากมายหลายๆาอย่างที่จะให้พวกเราได้ ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะผู้บายอาจารย์ทุกทุนนะท ก, ทกคนเราเกิดมาในโลกนี้มันมีมากหลากหลายแต่ต้องพยายามต้องใช้เหตุและผลคำว่าเหตุผลคำนี้มันมีมากหลายระดับนะถ้าเอาเหตุผลฟังบอกแล้วไม่ฟังทำยังไงก็ไม่ฟังก็ต้องเอาเหตุผลจับเข้าคุกเข้าตารางก็เหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะ เ, เพราะเหตุอะไร เพราะมันพูดยังไงข้อไม่ฟังก็ต้องเอาเหตุผลนั้นเขามาช่วยนะมันมีหลายระดับเหมือนกันเหตุผลไม่ใช่ว่ายอมสิโลโราบทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่จะไปแข็งกล้าวทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นพวกเราถ้าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความผาสุกนะแล้วก็นในพรรษาที่จะถึงมีกี่วันข้างหน้าเนะี่ยก็ขอเตือนย้าอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราควรจะพัฒนาตนอย่างไรในพรรษาที่จะถึงท่านหลวงพ่อถ้าเป็นไปได้เนะี่ยหลวงพ่ออยากขอบินธบาตกับท่านครูบาอาจารย์ท่านผ อ, อ, อทั้งหมดที่มาในวัดของหลวงพ่อในครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้สุราเนะี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดควรจะงดงดได้ดีที่สุดทดลองเลยสิในพรรษาเนี่ยตายเป็นตายโรเชียมเป็นยังไงบุรีทั้งหดตายก็ดี งดเลยบุรีไม่ควรจะสูบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของอนุชนรุน่นหลังไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนอีกต่อไปตั้งต่างหาก้างงดได้ก็ดีแต่เมื่องงดแล้วนะงดสามเดือนแล้วพอออกพรรษาแล้วเบิกถอยหลังอีต่อไม่ได้นะเบิกถอยหลังโดยมากพอออกพรรษาวายกูอดมาเล่ามาสามเดือนเอามา้าโซ่เอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ เหมือนกับเกาะน้ำรูหนูอย่างนั้นไม่ไหวนะอั น, นั้นเรามาเบิกถอยหลังอถ้าหยุดแล้วก็หยุดไปเลยอเห็นโทษไปเลยเออแต่ก่อนเนี่ยข้าทำไมดื่มไปเพื่ออะไรแต่บัด น, นี้ข่าหยุดดื่มโอ้แสนสบายไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับลูกหลานสามีภรรยาญาติพี่น้องเห็นเขาเขาสบาย อ, อกสบายใจกับเราแต่ก่อ น, น, นเราทําไมไปหาดื่มทําไม เราจะเห็นโทษมาแล้วก็หยุดไปเลยนัน่นดีที่สุดนะรับพรอโนโมทนาให้พร